วันนี้จับแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธชนทั้งหลายสืบต่อไปในกาวมาในเรื่องของขันคือกองแห่งรูปมาโดยลำดับเฉพาะในที่นี้ทรงสอนให้ศึกษาเป็นสามช่วงด้วยกันช่วงแรกก็คือลักษณะของรูป ช่ที่สองก็คือเหตุเกิดของรูปและช่วงที่สามก็คือความดับไปของรูปตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าชีวิตของบุคคลและสัตว์ทั้งหลายที่กล่าวโดยสรุปว่าเป็นตนและสิ่งที่เกี่ยวเนื่องด้วยตนมีผลให้บุคคลทำดีบ้างแต่ไม่ดีบ้าง ต ล, ตลอดถึงมีการกำหนัดยึดติดในตนและสิ่งที่เกี่ยวเทืองโดยตนและแม้แต่การจางไปคลายไปของจิตที่ยึดมัน่นถือมั่นในความเป็นตนและความเป็นของตนให้พยายามศึกษาสังเดียกให้ทราบถึงความจริงที่แท้จริงของรูปอันเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด ความกัดเคืองหรือความคลายกำหนัดและความคลายขัำเครื่องก็สรุปว่าโลกเราก็วุ่นวายอยู่ในเรื่องของรูปนั่นเองเนื่องจากเป็นการมธาตุหรือกามรมภพจิตใจของบุคคลนี้ได้สุขได้ทุกข์แล้วล้วนเกี่ยวข้องกับรูปเวทนาสัญญาสังขารวิทยา หรือเกี่ยวข้องอยู่กับขันตั้ง5ประการทั้งนั้นส่วนนี้เป็นปริยายหนึ่งคือนัย่าหนึ่งั้งนั้นเองคุงสังเกตว่าทรงมีวิธีสอนที่ให้คนเกิดความเข้าใจในเรื่องรูปเอาไว้โดยนยัย่าต่างๆเป็นนั้นมากแต่ในชั้นของกรรมาฐานเพื่อต้องการจะให้สติสัมปชัญญะความเพียรของบุคคลระลึกถึงรูปอยู่อย่างต่อเนื่อง จนเกิดความรู้แจ้งเห็นจริงตามสภาวะที่แท้จริงของรูปจึงสอนให้ศึกษาทั้งตัวของรูปซึ่งเป็นองประกอบของดิดนน้ำลงไฟและรูปที่อิงอาศัยที่ท น, นเรียกว่าเป็นรูปถึง28ประเภทด้วยกันแต่ส่วนใหญ่ก็ามาจากดิดนน้ำลงไฟเป็นหลัก เป็นการควบคุมประชุมกันจะมีสัดส่วนก่อให้เกิดเป็นรูปขึ้นมาในลักษณะต่างๆเมื่อกอเป็นรูปขึ้นมาแล้วก็มีอาการปรากฏออกมาในรูปลักษณะต่างๆเป็นนั้นมากที่รู้ได้เห็นได้สังเกตได้กันอยู่ในชีวิตประจำวันเหล่านี้ท่านสรุปรวมว่าเป็นอาการของเขาเป็นการคูดแขนการเหยียดแขนการนั่งการเดินการยืน รือประสาทสัมผัสของเราที่เห็นรูปด้วยตาเป็นต้นนั้นก็เป็นอาการของเราปัจจัยที่ให้เกิดรูปนั้นทรงเน้นไว้ทั้งสองทั้งสมตอนคือ ต, ตอนที่เป็นนามาธรรมได้แก่กลุ่มของกิเลสตอนที่เป็นนามาธรรมเป็นส่วนผลซึ่งเกิดขึ้นจากกิเลสเป็นแรงผลักดันให้มีการกระทำที่เรีย ก, กว่ากรรม และเกิดขึ้นจากส่วนที่เป็นรูปธรรมบ้างนามาทำบ้า ง, า ท, างที่ทรงใช้กับว่าอาหารวันจับใดที่ปัจจัยเหล่านี้ยังมีอยู่การอบรงอยู่ของรูปก็ต้องมีสืบสืบกันไปโดยลําดับแต่ถ้าหากว่าเหตุปัจจัยเหล่านี้เกิดเปลี่ยนแปลงไป mm. เกิดดับไปในจุดใดจุดหนึ่งอย่างอื่นก็ต้องปล่อยดับตามไปด้วยดังนั้นจึงทรงสอนให้ดูความดับของรูป ซึ่งข้อนี้ท่านสาธุชนที่คุ้นเคยกับพิธีกรรมต่างพระพุทธศาสนาเราจะพบว่ามีบทพระคาถาที่นำมากระตุ้นเตือนให้บุคคลได้รำลึกถึงความจริงของรูปที่ค่อนข้างจะแพร่หลายแล้วก็รับรู้กันโดยทั่วไปก็มีสองสามข้อด้วยกันข้อแรกก็คือ ชีวิตร่างกายของคนของสัตว์ทั้งหลายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อโคตรหาได้เสื่อมสลายตามไปไหมมันเป็นการแสดงถึงสัจจะของรูปเพรา ะ, มะเมื่อเกิดขึ้นก็ตั้งอยู่โดยเหตุปัจจัยก็พร้อมจะเสื่อมสลายไปไม่เหตุปัจจัยให้เสื่อมสลายบังเกิดขึ้นอีกบนหนึ่งที่นํามาใช้ นามากระตุ้นเตือนให้บุคคลได้คิดเราเรียกเป็นภาษาไทยว่าคาถาบังสกุลเป็ดถึงหมายความว่าเวลาคนเจ็บไายได้ป่วยหรือมีอายุมากแล้วการจะปําเป็นบุญกุศลตามความเชื่อถือในทางศาสนาก็จะมีการราษนานิมนต์พระมาชักผ้าบังสกุลเป็ดในรูปแบบพิธีกรรมก็จะเอาผ้ามาคลุม คนที่จะบังสกุลตัวเองและพระก็จะกราบคาถาที่จริงคาถานั้นมีลักษณะเป็นการแสดงสัจจะของชีวิตโดยตัวของบุคคลทั้งผู้พูดและผู้ที่ให้บังสกุลตัวเองเป็นอุปกรณ์ในการเรียนรู้สัจจะของชีวิตในส่วนนี้ เพื่ออะไรเพื่อให้บุคคลสามารถที่จะเกิดมโนธรรมสำนึกขึ้นมาภายในใจมองเห็นความแตกดับของชีวิตปรากฏอยู่ข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่าจะมาถึงเมื่อไหรเ่เหมือนกันแต่ในขณะที่เรียกแรงความเพียนพยายามส ต, ติสัมปชัญญะเรายังมีอยู่ก็เพียนพยายามที่จะสร้างสมความดีโดยอสัยร่างกายซึ่งไม่มีสาระนี้สร้างสิ่งที่เป็นสาระ ในคาถาบทนั้นตั้งกล่าวว่าร่างกายนี้ไม่นานหนอจ ก, กล้มลงเหลือแผ่นดินเมื่อวิญญาณออกจากร่างแล้วก็เหมือนท่อนไม้ที่หาสาระประโยชน์ไม่ได้แม้จะเป็นคาถาสั้นๆเพียงสองบรรทัดนั้นเองแต่การปรับใจให้ยอมรับความจริงในสัจจะเหล่านี้จนถึงเกิดเบื่อหน่ายคลายกำนัดนั้นเป็นสิ่งที่ทําได้โดยยาก าบางครัง้งบางคราวมีลักษณะเหมือนกับผมเข้าตาหรือว่าเส้นผมบางผูกเขาแต่เราสามารถจะชี้แจงอราธิบายบุคคลอื่นเกิดความเข้าใจในเรื่องที่เกี่ยวกับเขาได้แต่พอร่างกายเราเกิดเปลี่ยนแปลงจะแตกดับเกาไปด้วยจิตใจก็ต่อต้านไม่ยอมรับความจริงเหล่านั้นพระท่านจึงสอนให้คิดว่าร่างกายนี้ไม่นาน บางครั้งส่งเตือนให้ดูว่าชีวิตร่างกายของบุคคลเรานั้นจะอยู่ได้ก็ไม่เกินร้อยปีถ้าใครเกิดเผล อ, อเกินร้อยปีไปบ้างก็จะตายเพราะจะราคร่ำคราหรือบางครั้งก็มีอยู่สักว่าลมหายใจแต่นั้นเองไม่ได้สามารถปฏิบัติภารกิจการงานอะไรได้เวลาร้อยปีเป็นเวลาเพียงเล็กน้อยสําหรับชีวิตของบุคคลทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเทียบเคียงกับชีวิตของบุคคลประเภทอื่นหรือของสัตว์โลกประเภทอื่นอย่างที่ทรงแสดงไว้ในพระธรรมบท ร, รบถึงอุบาสิกาคนหนึ่งชื่อปาติปุชิกาท่านจุติจากสวรรค์ลงมาเกิดในโลกมนุษย์อายุถึง6กประปีแล้วก็ตายไป ในขณะที่อยู่ในโลกมนุษย์ก็พยายามทำความดีด้วยประการต่างๆและอธิษฐานใจเพื่อกลับไปเกิดในสถานที่ท่านมาปรากฏว่าท่านก็ได้เกิดตามที่ท่านตั้งความปรารถนาไว้มาลาภารีเทพประบุตรจึงเป็นหัวหน้าของเทพธิดาควนั้นมีความรู้สึกแปลกใจนิดหน่อยเพียงแต่ถามว่าตะกี้นี่เธอหายไปไหน นางก็ได้เล่าฟังว่าได้ยุติไปบังเกิดเป็นมนุษย์อายุถึง60กว่าปีแต่ปรากฏว่าอายุ60กว่าปีนั้นเทียบเคียงกับอายุของเทวดาจะต่าดึงแล้วก็เพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองระะวันหนึ่งก็คือหนึ่งของบุคคลต่อ น, นั้นก็ตั้งร้อยปีในโลกมนุษย์แล้วหรือบางครั้งก็ทรงสอนให้มองในรูปของความไม่เที่ยง ที่ส่งเน้นว่าร่างกายนี้ไม่นานหนอจากล้มลงเหลือแผ่นดินคือมันอยู่ไม่ได้นานอายุข้างหน้าก็น้อยลงโดยํำดับข้างหลังนั้นที่ผ่านมาเราก็รู้แล้วว่าเรามีชีวิตยอยู่เท่านั้นเท่านี้แต่ข้างหน้าเราก็ไม่รู้ว่าจะมีสักกี่วันกี่เดือนกี่ปีแต่ที่แน่นอนที่สุดก็คือว่าชีวิตนั้นจะต้องแตกกับ เป็นการสอนด้วยภาษาธรรมดาว่าชุดโดเปตวิญญาโนโ ป, ป, ญญออปวิญญาปวิญญาณออกจากร่างแล้วร่างกายอันเคยเป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดกัดเคืองเพลดเพลอนรุ่มหลง ม, ม, มัวเมาเกิดทังการเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นใหญ่โตมโหฬารมีข้าทาสปริวาสรอบล้อมหายแนกันไปในสถานที่ต่างๆปรากฏก็มีค่าท่ากับท่อนไม้ท่อนหนึ่งนั่น ในตอนนั้นใครจะทําอะไรใครจะเหยียบใครจะข้ามหัวข้ามศีรษะไปจะกราบจับหักแข้งหักขาก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้ซึ่งเป็นการแส ด, แดงถึงความจริงของชีวิตว่าตัวร่างกายซึ่งสร้างปัญหาเกิดขึ้นเกิดโคตมากเป็นพิเศษนั้นเราก็จริงแล้วเป็นของที่หาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้ แต่ทำไมคนจึงไม่ยอมรับความจริงดอานี้ตอนนี้ก็เพราะว่าจิตใจของบุคคลนั้นตกอยู่ภายใต้ของความประมาแในประการที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือมักจะมีความรู้สึกในเชิงศัตรทิติคือความเหตว่าเที่ยงแท้แน่นอนอย่างน้อยก็ตัวเองเที่ยงแท้แน่นอน อาจจะพูดตักเตือนให้สติแก่ บ, บุคคลอื่นให้ไม่ประมาทห ม, มเมาได้แต่ว่าตัวเองก็ยังห ม, มเมงประมาทคือกล้ๆก็มีความรู้สึกว่าคนอื่นนั้นใกล้จะตายแล้วแต่ตัวเองยังไม่เป็นไร ย, ยังอยู่อีกนานก่อนความไม่ประมาทจึงครอบงาบุคคลทั้งหลายในโลกโดยการประมาทในวัยบ้างก็ยังเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ยังแข็งแรงอยู่ยังไม่ตาย แม้จะเห็นคนรุ่นราวคาเดียวกันลบหายตายจากไปเป็นนั้นมากแต่ลึกๆภายในใจของบุคคลก็คงปฏิเสธว่าคนอื่นตายแล้วแต่เรายังไม่ตายพันธะใจยังมีความรู้สึกว่าอายุจะอยู่ยังยืดนานความคิดที่จะรีบเร่งกระทำความดีมันก็เกิดขึ้นดายากเพราะแนคคำสอนเหล่านี้พึงสังเกตว่าพระพุทธเจ้าจะสอนให้มีความกระตือรือร้น มองเห็นภัยคือความตายจะ่รียกว่ามรณะภัยนี่ปรากฏอยู่เฉพาะหน้าเราไม่สามารถจะต้านทานจะป้องกันหรือจะต่อสู้กัดขวางต่อความตายได้ประเด็นสาคัญที่จะทำได้ก็คือการรีบเร่งใช้วันเวลาที่ยังมีอยู่และมาถึงเขา่าที่แรงสติปัญญาของเรายัางพอจะทำความดีได้ก็รีเร่งกระทา ตายเมื่อไหร่นั้นไม่สําคัญแต่สําคัญว่าเรามีชีวิตอยู่อย่างไรบางครั้งก็ส่งเน้นให้เห็นว่าบุคคลเราไม่มีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ถ้าอยู่ด้วยความมุมมองประมาทแล้วก็สู้คนที่มีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวแต่ไม่หมัว ม, มองประมาทไม่ได้คุณค่าของชีวิตที่แท้จริงรงไม่อยู่ที่อายุยืนแต่ว่าอยู่ที่ ความสามารถใช้ชีวิตในแต่ละขณะที่มาถึงคข้าให้เกิดสิ่งที่เป็นสาระแก่นสารพัฒนาการปรากฏขึ้นในด้านกายด้านวาจาและด้านจิตใจเพราะสิ่งที่เป็นสาระจึงทรงแสดงไว้เพียงห้าสาระทานเด็กนั้นคือศีลสาระสาระคือศีลที่บุคคลตั้งใจสมาทานงดเว้นไม่ลงละเมิด ควบคุมาการกายวาจาของตนให้เป็นปกติตามขั้นหลงของสิ่งสมาธิสาระสาระคือสมาธิหรือว่าการทําจิตของตนให้สงบตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ของกรรมฐานก็ได้ก็ได้และปัญญาสาระสาระคือปัญญาได้แก่ความรอบรู้ถึงความจริงของสิ่งทั้งหลายได้แก่ที่เป็นจริงยันในเกี่ยวกับรูปนั่น พระเจ้าได้ทรงสอนไว้ในที่ต่างๆเป็นกันมากโดยจะยกเอาแนวไหนก็ได้อาจจะแนวอนัตตาแนวอนิจจังแนวทุกขังขึ้นมาสอนก่อนก็ได้แต่ให้บุคคลมองในลักษณะที่เชื่อมต่อกันไปว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นเป็นทุกสิ่งใดเป็นทุกสิ่งนั้นก็ไม่ใช่ตัวใช่ตนคือเป็นอนัตตาเช่นทรงสแสดงว่าดูก่อนผู้เห็นภัยในสังสารวัฏทั้งหลาย รูปนั้นเป็นอนาตตาคือไม่ใช่ตัวใช้ตนของเราอย่างแท้จริงทราบว่ารูปจะเป็นอัตตาตามความชื่อถือของคนทั่วใหญ่แล้วรูปก็จะไม่เป็นไปเพื่ออาภพาธคือเราจะสั่งได้จะบังคับได้จะบอกกล่าวอ้อนวอ น, อนขอร้องเขาได้จะเจ็บจะไข้จ ะ, จะป่วยจะเน็ดจะเหน่อยจะมีโรคภัยไข้จเจ็บจะแก่จะเท่าอะไรอะไรนี่คือสามารถสั่งได้เท่านั้นแต่จริงจริงจริ ง, รงมันก็สั่งไม่ได้ เพราะอะไเพราะความเป็นอนัตตาของรูปเพราะนี้เองสัตว์ทั้งหลายจึงไม่อาจจะตั้งความหวังว่าขอรูปของเราจงเป็นอย่างนี้เถิดขอรูปของเราจะได้เป็นอย่างนั้นเลยเพราะรูปเป็นอนัตตาคือไม่จะตัวเจตตนเนี่ยรูปจึงเป็นของไม่เที่ยงสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นก็เป็นทุกข์สิ่งใดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนไปเป็นธรรมดา ในแง่ของความจริงที่แท้จริงจึงไม่ไม่ควรยึดถือว่ารูปนั้นเป็นของเราหรือว่ารูปนั้นเป็นเราหรือว่ารูปนั้นเป็นตัวเป็นตนของเราเพราะอะไรจริงๆแล้วมันไม่เป็นทั้งของเราการเป็นของเราจึางเป็นเรื่องสมมติปัญญัติกันชั่วครั้งชั่วคราวมันเหมือนกับข้าวของที่เราซื้อมาบริโภคใค่สอย เรามองย้อนอดีตเราจะพบว่าของเราเหล่านั้นได้เสื่อมสลายกลายเป็นอากาศสาธาติไว้มากมายกายกองเนะสื้อผ้าของเราอาหารของเราบ้านของเราเพื่อนของเราหนังสือหนังหาของเราสร้อยแหวนเงินทองอะไรตอะไรของเราเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นของเราจริงๆเป็นการผ่านมาชั่วครั้งชั่คราวแล้วในสุดก็จากไปคือผ่านมาเพื่อจะจากไป หรือแม้แต่ความเป็นเราอย่างนั้นอย่างนี้ที่สมมติบัญญัติกันตั้งแต่เด็กจนถึงปัจจุบันมองย้อนเข้าไปสู่อดีตเราจะเห็นว่าเราได้สมมติให้ถูกถูกสมมติได้เป็นอะไรเยอย่แยะไปหมดเลยแม้ในแต่ละวันจุดสัมผัสของเรากับกาละกับสถานที่กับกลุ่มคนกับบุคคลหรืแม้แต่กับยานพาหนะนี้ เราถูกสมมติได้เปลี่ยนไปเรื่อยๆเช่นไปสัมพันธ์กับคนเราก็ไม่รู้ใครเราอาจจะอยู่ในฐานะพูดน้อยอาจจะอยู่ในฐานะผููใหญ่อาจจะอยู่ในฐานะเพื่อนอาจจะอยู่ในฐานะคนรับใช้อาจจะอยู่ในฐา น, านาจจะนานาคน ร, จจะนานารูบาอาจารย์เป็นต้นก็นแล้วแต่กับคนที่เราสัมผัสอยู่ในขณะนั้นๆที่จริงมันก็ในขณะนั้นๆไม่ใช่เป็นอย่างตลอดรอบวงไป และความเป็นก็เราก็เปลี่ยนไปเรื่ยจำจุดที่เราสัมผัสในแต่ละขนาดแต่ละขนาปญหาในภาคประพฤติปฏิบัตินั้นทรงสอนไว้ในรูปของสัญญาคือยอมรับความจริงในส่วนที่สมมุติเหล่านี้แต่ยอมรับในแง่งความสมมุติเพื่ออะไรเพื่อจะปฏิบัติตนให้เหมาะสมสอดคล้องแก่สถานะของตนเวลาเกี่ยวข้องกับบุคคลกลุ่มคนสถานที่ การเวลาที่มาถึงเข้าในขณะนั้ น, น, นแต่โดยไม่ไปตั้งความหวังอะไรไว้มากคือใจหนึ่งต้องยอมรับสภาพความจริงของเขาเราจะต้องมีการพัดพรากจากไปมีการสูญสลายไปมีการเสื่อมทำลายไปอย่างคาถาบังสกุลตาย ที่ได้ยินได้ฟังกันแพร่หลายเป็นพระพุทธธรรมรัรบที่ไพเราะมากเข้าถึงเนื้อหาแก่นแท้ของชีวิตถือว่าอนิจจาวัตสังขารสังข า, า, ารทั้งหลายไม่เที่ยงหนอนอุปาดัยธรรมมิโนมีการเกิดขึ้นเป็นธรรมดาเมื่อมีวิจารนาุปาทานกามอาหารให้เกิดขึ้นแก่ก็เกิด อุปจิตตวานิโรจนติเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมันเกิดมาเพื่อดับทีนี้เมื่อมีเหตุปใจดับก็เพื่อเกิดต่อไปก็ตกลงว่าสภาพของชีวิตคนนั้นเหมือนกระแสธรรมชาติทั้งหลายจนผนตกแดดออกทั้งหลายแด ด, แดดน้ำที่ถูก แสงราิตย์แผดเผาให้เราเกยขึ้นไปในอากาศกันน้ํามันก็พร่องไปหายไปสแสดงว่าน้ําก็ดับไปแต่ก็ดับเพื่อจะเกาะกลุ่มขึ้นมาแล้วก็ตกมาใหม่ก็ดับเพื่อจะเกิดต่อไปสแสดงว่าเหตุวิจัยยังให้เกิดมีอยู่แก่ก็เกิดตั้งแก่ได้ดรื่ยๆคนเราก็มีลักษณะจิตเดียวกันเพราะจุดเน้นที่ส่งเน้นเอาไว้มากเฉพาะในคาถานี้ก็คือว่าเตสังบูปะสมุ ส, โมสโุโภ การเข้าไปสงบระงับในสัตว์และสังขารต่งางๆเหล่านั้นจะได้เป็นความสุขหมายความว่าเกิดปัญญารู้เท่าทันเรองความจริงที่ปรากฏในขณะนั้นๆอย่างที่ทรงสอนให้มองแบบของยืมบ้างแบบแขกที่มาเรือนเยือนบ้างแบบผลไม้บ้างแบบเปลมไฟบ้างแบบเขียงหั่นเนื้อบ้างแบบเนื้อหน้าควายบ้างเม่เนตอ่น คือเราเห็นว่าขณะของการแตกทําลายของสิ่งเหล่านั้นก็อยู่ใกล้นิดเดียวเช่นเขียงหั่นเนื้อก็ถูกหั่นไปแั่พักหนึ่งตัวเองก็สึกหรอหายไปหรือผลไม้ก็ดูแล้วก็สวยงามดีในช่วงหนึ่งสั้นๆแต่พอถึงช่วงหนึ่งแกก็แสดงสภาพของแกจากน่ากินเป็นไม่ค่อยจะน่ากิน จากไม่ค่อยจะหน้ากินเป็นกินไม่ได้จะ ก, กินไม่ได้เป็นหน้ารังเกียจขยะอ่แยงแต่มัเป็นอะไรก็เป็นผลไม้ผลเดียวกันพอแกแสดงความจริงปรากฏออกมามากๆความรู้สึกของเราก็เปลี่ยนแปลงไปตามอาการของผลไม้เหล่านั้นที่ปรากฏในขณะนั้นๆเพราะความเป็นคนเป็นสัตว์เป็นสิ่งของก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเกิดขึ้นตั้งอยู่ ในขณะที่ตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงเป็นการทรงสอนให้ทำใจยอมรับถึงความจริงเอาไว้เหล่านี้เอาไว้ที่ก็รู้เท่าทันตามความเป็นจริงเกิดก็เกิดตั้งอยู่ก็ตั้งอยู่ดับก็ดับจิตใจจะไม่เกิดความยินดียินร้ายในอารมณ์ดอนหมายความว่าสิ่งที่ดีงามทั้งหลายที่จริงก็เกิดมาจากเหตุปัจจัย เกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปเหมือนกันสิ่งที่ไม่ดีคนที่ไม่ดีทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเช่นเดียวกันยกตัวอย่างเช่นความทุกข์ซึ่งเจียดแทงใจคนมากเป็นพิเศษที่สงชัยคําว่าปิยยวิปโยค ก, กับอภิยะสัมปโยกปิยยวิปโยค ก, ก็คือการพรากจากคนจากสัตว์จากสิ่งของอันเป็นทิรักเมื่อมาเมื่อยังไม่มาเราก็คอยฝันอยากให้เขามา เมมาแล้วก็ตั้งความปรารถนาที่จะอยู่กับเรายั่งยืนต่อไปเพราะนั่นไปตั้งความหวังอย่างนั้นก็ไปตั้งความหวังในเรื่องที่เป็นไปไม่ได้คือการอยู่ร่วมกันตลอดไปมันมีไม่ได้เพียงได้อยู่ร่วมกันได้นานหรือได้ช้าเท่านั้นเองแต่ส่วนว่าอยู่ร่วมตลอดไปนั้นมีไม่ได้วเพราะเขาต้องรักรากจากไปเนื่องจากใจปฏิเสธ การพระรากจากไปและใจไขว่คว้าการอยู่ร่วมกันตลอดไปทําให้ใจไม่ยอมรับความจริงในส่วนนี้ความโศกก็เกิดขึ้นครอบงาําจิตใจของบุคคลเรืออ่องอภิยะสัมปโยคคือการต้องอยู่ร่วมกับคนที่เราไม่ชอบหรือคนประเภทนี้ถ้าไม่มาได้ก็ดีแต่เกิดมาอยู่แล้วเราดันขัดข้องเราต้องการใจเขาจากไป แล้วก็จากไปได้แล้วก็จะมีความรู้สึกชื่นชมยินดีแต่ในแง่ของการรู้เท่าทันตามความเป็นจริงแล้วไม่จําเป็นจะต้องดิ้นรนอะไรเพราะทั้งคนที่เรารักและคนที่เราไม่รักนั้นเขาเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยของเขาดํารงอยู่ด้วยเหตุปัจจัยของเขาแล้วต้องเสื่อมสลายไปด้วยเหตุปัจจัยของเขาไม่มีการอยู่ร่วมกันตลอดไปและมีไม่มีการพลาดอ่ารากจากตลอด จนถึงการที่ทร ง, งแสดงลักษณะหมุนวนในทังสาระวัตเนี่ยที่เป็นกระบวนการของเหตุปัจจัยแั่งกล่าวตรงที่เห็นว่าในแงน่ความเป็นจริงแล้วคนในโลกนั้นที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกันไม่มีแต่ว่าจะเกี่ยวข้องกันในฐานะอะไรเกี่ยวข้องกันในฐานะมิตรฐานะศัตรูในฐานะที่เจอเจอกันที่เราเรียกภูเปสนิวาสคือการอยู่ร่วมกัน เพคนที่เคยพลาดพลาดคนที่ต้องพลาดพราดไปก็คือคนที่เคยพลาดพลาดมาแล้วคนที่เคยอยู่ร่วมกันต้องอยู่ร่วมกันแล้วก็อึดอัขัดข้องไปด้วยประการต่างๆ น, นั้นที่จริงแล้วก็เคยอยู่ร่วมกันมาแล้วแล้วก็เคยพลาดพรากมาแล้วสามารถทําใจให้มหัธยัสเป็นกลางอยจะได้คือเตรียมใจรับทั้งช่วงเกิดขึ้นช่วงตั้งอยู่ช่วงดับไปเกิดขึ้นก็คือเกิดขึ้น ตั้งอยู่ก็คือตั้งอยู่ดับไปก็คือดับไปอย่างที่ทรงสอนให้บุคคลมองถึงโลกกระรมที่เกิดขึ้นในชีวิตเราคือได้ลาบะะเสื่อมลาบได้ยศเสื่อมยศถุกดินทาสันเสริได้รับความสุขความทุกข์นี่มันเป็นธรรมชาติธรรมดาของมันมีเหตุปใจใัจจัยเกิดมันก็เกิดเหตุปใจใัจจัยตั้งอยู่มันก็ตั้งอยู่เหตุปใจใัจจัยดับมันก็ดับ เพราะฉะนั้นจุดต่างระหว่างพระริยบุคคลกับสามัญชนที่สัมผัสกับโลกธรรมทั้งแปดคือโลกธรรมตั้งแปที่จยิงกสัมผัสด้วยกันเรียกว่าพระริยบุคคลกับสามัญชนนั้นก็หนาวด้วยการร้อนด้วยกันก็อยู่ในโลกเดียวกันมีรม์ที่เกี่ยวข้องพบพานก็คือคือกันมันก็คล้ายๆกับพระสงฆ์กับพระพุทธเจ้ากับพระอานนท์ที่เดินไปในเมืองโกสัมพีที่ถูกด่าจีิงก็ถูกด่าด้วยกัน เพียงแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นท่านไม่มีพระไทยใส่ก็สักแต่ว่าเรื่องของเขาพระองค์ไม่ได้เกี่ยวอะไรคือไม่แบกไม่ขามอารมณ์เหล่านั้นเอาไว้พระองค์ก็ไม่เดือดร้อนทั้งที่ทถูกด่าและยิงก็ด่าเจาะจงพระองค์ได้ทงไปแต่คนที่เดือดร้อนก็นเป็นพระอ น, นุน ท, ท, ทั้งที่ไม่เจาะจงท่านโดยตรง นี่เป็นการแสดงให้เห็นถึงความแตกต่างกันระหว่าง จ, จิตใจของพระอรหันต์กับจิตใจของพระเรียบุคคลในดับที่ลดหลั่นลงมาว่าอารมณ์มันเดียวกันนั่นเองแต่ว่าคุณภาพด้าน จ, จิตใจของท่านแตกต่างกันแ้่ก็มีความรู้สึกตัวอารมณ์เรา่า น, นไมนเหมือนกันนั้นนั้นเราจะเห็นว่าสิ่งที่เราน่าใครหน้าปรารถนานาพอใจก็ดีไม่น่าใครไม่หน่าปรารถนาไม่น่าพอใจก็ดีนั้นพอเกิดขึ้น ถ้าปัญญาเกิดรู้รัทันทังความจริงก็รู้ว่าสิ่งนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราดีก็เกิดขึ้นแล้วแก่เราไม่ดีก็เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่สภาวะของเขาคือสภาวะของสิ่งเหล่านั้นของบุคคลเหล่านั้นของสัตว์เหล่านั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาใจเราไม่ได้เกี่ยวเกาะ ไม่ได้เกี่ยวกับด้วยอำนาจความรู้สึกว่าเป็นของของเราหรือเป็นศัตรูของเราหรือว่าเป็นมิตรของเราเป็นเพื่อนของเราเวลาก็เปลี่ยนแปลงมันก็คือเขาเปลี่ยนแปลงจิตใจเราไม่ได้เปลี่ยนแปลงตามไปเพราะงั้นที่พระเจ้าทรงสรุปไว้ในตอนสุดท้ายของทุกขอริยสัจ ท, ที่ทรงสรุปว่าสังคิตเตนะปันจุปาทานะกันต า, นาทุกขะเมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วการที่จิตไปยึดบัน่นหรือบั่นในขันทั้งห้า ไว้เป็นอย่างนี้เถิดอย่าได้เป็นอย่างนั้นเลยขอให้เป็นอย่างนี้อย่าได้เป็นอย่างโน้นอะไรเท่าไรเนี่ยไปตั้งความหวังเอาไว้ซึ่งมันก็เป็นไปไม่ได้พอไม่พอพอเป็นไปไม่ได้ความสุขความทุกข์ก็เกิดขึ้นครอบงำใจเมืการสอนในแนวนี้ก็คือต้องการให้บุคคลได้รู้เท่าทันทั้งความจริงว่ากระบวนการข้องขันทั้งห้านั้นที่เป็นที่ตั้งอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นของเราเป็นเราเป็นตัวเป็นตนของเรานั้น แ ท, ท้จริงแล้วเป็นกระบวนการของธรรมชาติซึ่งอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นได้เพราะเหตุปัจจัยเสื่อมสลายเขาก็เสื่อมสลายเพราะเหตุปัจจัยทำให้เขาแตกตักเขาก็แตกตับการเกี่ยวข้องกับคนกับสัตว์กับสิ่งของด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันทังความจริง แล้วทำใจให้สงบระงับจากสัตว์ได้สังขารทั้งหลายเหล่านั้นเสร็จบ้างอย่างน้อยก็บรรเทาประบางลงไปได้บ้างต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสร็ต่อ